เราถ้าไม่โชคร้ายก็สามารถจะเห็นโลกตั้งแต่เกิดว้าไม่โชคร้ายคือว่ามีอวัยวะครบตั้งแต่เกิดมาเราก็เห็นโลกเห็นสิ่งที่มีอยู่รอบตัวจนมาถึงวันนี้เนี่ยคงจะรู้สึกว่าการเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพอเห็นมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้เมฆท้องฟ้าผู้คน เราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ที่จริงถ้าใครควรดีๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะจะเรียกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ก็ได้ความเขา้าใจคนทั่วไปเนี่ยเราเห็นได้ด้วยตาในตาแต่ที่จริงแล้วนี่การที่เราจะเห็นโลกภายนอกได้นี่มันต้องอาศัยอะไรที่มากกว่า น, นั้นนะแล้วถ้ายากแย่จำแนกแล้วนี่ ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหรือว่าสิ่งต่างๆนี่นับร้อยหรือหลายร้อยชนิดเลยทีเดียวนะหรือหลายร้อยอย่างกว่าเราจะเห็นอย่างที่เห็นตอนเนี้เอาแค่ในตาของคนเราเนี่ยก็มีองค์ประกอบเนี่ยไม่น้อยกว่า30อย่างไม่ว่าจะเป็นม่านตา กระจกตาจอตาวุ้นตารลมตั้งกล้ามเนื้อที่คอยบังคับตาให้เกลือกไปเกลือกมาเราก็ยังไม่นับนะเซลล์ที่ไวแสงไม่ว่าจะเป็นเซลล์รูปแท่งเซลล์รูปกลวยที่อยู่ในจอตา ที่ทำให้เราเห็นสีเห็นภาพไม่น่าเชื่อนะคนเรานี่สามารถที่จะมองเห็นภาพเห็นสีได้เนี่ยจาแนกแยกได้ถึง1ิบล้านสีโ0ิล้านสีมันไม่ใช่แค่สีเจดสีในในแถบลุงเท่านั้นนะมันละเอียดยิบย่อยกว่า น, นั้นอย่างที่คาดไม่ถึง และการที่องค์ประกอบทั้ง3 0อย่างเนี่ยมันจะทำงานได้ดีนี่มันก็ต้องอาศัยสิ่งต่างๆมากมายนะที่คอยหนุนนะไม่ว่าจะเป็นเลือดไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนนะไม่ว่าจะเป็นสารเคมีต่างๆเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงเซลล์ Cell, หรือองค์ประกอบเหล่านี้ให้ทำงานได้โดยเฉพาะในตานะยังไม่นับ ถึงองค์ประกอบอื่นๆที่มันทำให้เราเห็นได้เพราะว่าเพียงแค่ในตาเดียวเนี่ยมันเราเห็นไม่ได้หรอกมันต้องมีการเปลี่ยนสัญญาณเปลี่ยนแสงที่มากระทบจอตาของเราเนี่ยให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วกระแสไฟฟ้าก็ต้ลงแล่นนะไปถึงสมอง แล้วสมองนี่ก็ตีความสัญญาณไฟฟ้านั้นออกมาเป็นภาพอย่างละเอียดละอออนลองนึกดูนะการที่จะมีสิ่งที่ช่วยทำให้สัญญาณไฟฟ้านเนี่ยจากในตาไปถึงสมองได้เนี่ยมันทำงานได้ปกติและอย่างรวดเร็วฉับพลันมันก็ต้องใสเคมี สารเคมีต่างๆมากมายรวมทั้งเซลล์สื่อประสาทหรือว่าสารสื่อประสาทอีกเยอะแยะที่ทำให้สมองเนี่ยแปลสัญญาณไฟฟ้านี่เป็นเป็นภาพอย่างที่เราเห็นตอนนี้ได้ถ้าจะจำแนกแยกแยะองค์ประกอบที่ทำให้การเห็นของเรานี่มันเกิดขึ้นได้นี่โอ้มันต้องอาศัย สิ่งต่างๆนับร้อยนับพันอย่างนะและที่มันน่าสัจจันคือว่าเนี่ยองค์ประกอบทั้งร้อยนับร้อยนับพันเนี่ยมันทำงานได้ประสาน ก, กลมกลืนกันมากแล้วก็ไม่มีอันใดขาดตกบกพร่องหรือว่าสูญหายไปเลยเพราะถ้เกิดมีอะไรเกิดหายไปขึ้นมาเคมีบางตัวหายไป การมองเห็นก็จะมีปัญหาแล้วไม่ใช่เพียงแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ในตาของเราจอตาเสียหรือว่าเลนตาเกิดเพีย้ยนโอ้มันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะแต่การที่อุประกอบนี่นับร้อยนับพันเนี่ยมันทำงานได้อย่างประสานกลมกลืนแล้วก็พร้อมเพรียงกันโดยที่ไม่มีอะไรตกหล่นสูญหายหรือผิดเพี้ยนไปนี่ ถ้าไม่รีว่าเป็นความอัศจรรย์แล้วมันจะเรียกว่าอะไรนะแต่คนเราก็ไม่ค่อยตระหนักนะว่านี่มันการที่เราเห็นโลกรอบตัวแต่ละขณาแต่ละขณานี่มันเป็นความอัศจรรย์ต่อเมื่อมันเริ่มมีปัญหาขึ้นมีสารบางตัวหายไปหรือมีมากเกินไปหรือว่าจอตาเริ่มเสื่อม อตอนนี้แหละนะถึงจะค่อยรู้ว่าการที่เราเห็นนี่การที่เราเห็นได้นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายเลยเป็นความอัศจรรย์ซึ่บางคนก็ยกให้เป็นือมือของพระเจ้านะที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้แต่ว่ามันมีการเห็นอีกอย่างหนึ่งนะที่อัศจรรย์ไม่น้อยไปกว่านี หรืออาจอาจะอจัศจรรย์ยิ่งกว่าก็ได้คือการเห็นความคิดเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจแล้วคนที่ไม่เคยเห็นความคิดไม่เคยเห็นอารมณ์มาก่อนเนี่ยวินาทีแรกที่มันได้เห็นนะจะรู้สึกเลยว่ามันอัศจรรย์มากแล้วคนธรรมดาเนี่ยแม้ว่าจะเห็นโลกมามาก บางทีจนตายเลยก็ไม่สามารถจะเห็นความคิดหรือเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ตนอาจจะเชื่อเลยนะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเห็นความคิดเห็นอารมณ์เพราะตัวเองเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเราเห็นโลกภายนอกเนี่ยเราเห็นได้เพราะอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆนับร้อยนับพันนะ แต่ว่าเห็นความคิดเห็นอารมณ์นี่มันอาศัยตัวเดียวเลยก็ว่าได้นะอาศัยสิ่งเดียวเลยก็ว่าได้อาศัยสติหรือจะพูดร่มแล้วก็คืออาศัยใจสตินะสิ่งเดียวเท่านั้นแหละจะว่าไปแล้วนก็ทำให้เราสามารถที่จะเห็นโลกภายในได้เห็นโลกภายนอกนี่มันถือว่าสัจจ์แล้วนะ แต่การเห็นโลกภายในนี่มันอัศจรรย์ยิ่งกว่าจำได้เลยนะตอนที่ต้องมาไปปฏิบัติที่วัดสนามในใหม่ๆเนี่ยพระภูบาจารย์ก็แนะนำพร่ำสอนนะให้มีสติรู้กายเคลนไหเห็นใจคิดนึกแต่ทำยังไงทำยงไมันก็ไม่เห็นเวลารู้กายมันก็กดันไปเพ่งที่กาย และพออยากจะรู้ใจเห็นความคิดก็พอแต่จ้องดักจ้องความคิดพอมีความคิดเกิดขึ้นก็ตัดฉับหรือกดคมมันทำยังไงทำยังไงนึงก็มันก็ไม่เห็นไม่เห็นทั้งกายหรือรู้กายไม่เห็นทั้งใจหรือว่ารู้ใจ เขาทำไปเนี่ยสองสามอาทิตย์ทีเดียวนะมันก็ยังวนเวียนนะอยู่กับการจ้องการเพ่งการกดข่มความคิดกดข่มอารมณ์แล้วมันก็ทำให้เกิดความเครียดและตอนหลังก็เกิดเจ็บเกิดปวดขึ้นมาปวดโน่นปวดนี่จนกระทั่งท้อนะอยากจะเลิกปฏิบัติ แต่พอเกิดความท้อความเพียรมันลดลงนี่มันกับกายเป็นดีนะมันทําให้้ความตั้งใจที่จะจ้องจะเพ่งเนี่ยมันคลายลงและตรงนั้นแหละนี่มันทําให้ในสุดก็เห็นความมีความที่เกิดขึ้นก็เห็นมันเพราะตอนที่เห็นความคิดนี่มันจะเรียกว่าประหลาดใจมากนะแล้วก็อัศจรรย์เลยอัศจรรย์ใจมากว่าโอ้มันมีด้วยหรือแบบนี้หรือมันทําได้ด้วยเหรอ ไม่เคยคิดเลยนะว่าคนเรานี่มันจะเห็นความคิดได้แล้วมันก็แปลกนะเราก็อยู่กับความคิดมาตลอดแต่ว่าไม่เคยเห็นมันเลยเหมือนกับที่เขาพูดว่าเนี่ยนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำหรือบางทีก็พูดไปถึงคาว่านอนไม่เห็นอาจมเนี่ยคนเรานี่อยู่กับความคิดมาตั้งแต่เกิดนะแต่ไม่เคยเห็นความคิดเลยแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีความคิดให้เราเห็นได้ หรือคนเรานี่จะสามารถเห็นความคิดได้แต่พอได้ปฏิบัติจรงทั้งสติมันทำงานได้มันก็เห็นนะเห็นความคิดขึ้นมาอัศจรรย์มากนะมันก็เกิดปิดติว่าโอ้ไม่เคยคิดเลยนะว่าเราจะเห็นความคิดได้แล้วคืนนี้มันกลายเป็นสนุกไปเลยนะความคิดเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ น่ารังเกียจไม่ใช่เป็นเรื่องที่ชวนหงุดหงิดนะอยากผักใส่มันกลับกลายเป็นเหมือนกับแบบฝึกหัดนะให้เรามาไล่จับความคิดการไล่จับความคิดหรือว่าการรู้ทันความคิดนี่มันกลายเป็นเรื่องที่เพลินไปเลยก็ว่าได้ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้ แต่ก่อนนี่โอ้ยลำคาญมากเลยนะความคิดฟุ้งซ่านเพราะมันทำให้ใจไม่สงบแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วละ่ะยิ่งคิดนะเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้รู้นะได้ฝึกได้ทำมันกลายเป็นความสนุกนะเป็นความเพลินไปแต่บางทีมันก็ไม่รู้แต่ความเพลินนะอันนี้ก็ต้อง กรมาตั้งหลักใหม่ให้การเห็นความคิดเนี่ยมันจุงบอกว่านี่มันอัศจรรย์นนะมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์อาจจะยิ่งกว่าการเห็นโลกภายนอกซะอีกแต่เห็นความคิดนี่มันก็ยังไม่อัศจรรย์เท่ากับการเห็นให้ตัวอารมณ์นะเห็นตัวอารมณ์เมื่อไรก็ตามที่ได้เห็นทันเห็นอารมณ์นี่โอ้มันแม้แต่จะเป็นอารมณ์ที่ เราอาจจะไม่เคยชอบมาก่อนเนื่องความกลัวความโกรธแต่พอได้เห็นมันนะโอ้มันโดยเพพาะเห็นครั้งแรกนี่มันรู้สึกอัศจรรย์มากเลยแล้วดีใจนะมีเด็กสาวคนหนึ่งนะจะมาเดินธรรมญาตราเนี่ยตั้งแต่อายุสิบขวบแล้วเดินทุกปีนะ แต่เดินเนี่ยก็ทีแรกก็เดินเพราะว่ามันเป็นเหมือนการตื่นแต่ประจ ol ไพ่เรีเยกว่าแอดเวนเจอร์นได้นอนกลางดิง ก, งกิกลางทรายติดใจก็เลยมาเดินทุกปีพอโตขึ้นทีละนิดทีละทีละปีทีละปีก็เริ่มจะสนใจว่าเดินไปทำไม หรือว่ามันมีหลักอย่างไรในการเดินไม่ใช่เดินเอาสนุกไม่ใช่เดินเอาเพลินนะแต่ว่าระหว่างที่เดินเนี่ยก็ให้มีสตินะดูกายดูใจหรือว่ารู้กายรู้ใจไปด้วยเพราะว่าถ้าเดินแล้วเนี่ยนะปล่อยใจลอยใจนีไปจดจ่ออยู่ที่เป้าหมายที่อยู่ข้างหน้ามันก็จะเกิดความทุกข์ได้ง่ายนะเดินไปก็บนไปว่าเมืม่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึง เพราะใจมันไปจดจ่ออยู่ที่เป้าหมายแต่พอมารู้ว่าเราเดินเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะถ้าว่าใจนี่มันอยู่กับปัจจุบันหรือว่ามาตามดูรู้กายรู้ใจเวลาเหนื่อยก็เห็นความเหนื่อยนะเห็นใจที่มันบนตีโพยตีภายเวลาเหนื่อยเวลาอากาศร้ อ, น, อนเด็กสาวนี้ก็เริ่มจะเข้าใจนะวิธีการเดิน ถ้า ม, มีคราวหนึ่งน ะ, ะเห็นใครๆเขาก็เดินถอดรองเท้ากันเธอก็อยากจะเดินถอดรองเท้าบ้างเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเนี่ย เ, เดินเวลาเท้ามันเหยียบหินเนี่ยมันมีความเจ็บก็ให้เห็นความเจ็บมันมีความบมุดหงิดก็ให้เห็นมันก็อยากจะรู้ว่าเออมันทำยังไงทำได้ยังไง แต่ว่าใจมันก็กลัวนะเพราะว่าเดินถองเทานี่อากาศร้อนทางก็หลูกลังบางทีก็มีหินเนี่ยมันก็เจ็บแค่เหนื่อยนี่มันก็พอแรงอยู่แล้วต้องมาเจอความเจ็บด้วยก็ก็คงจะไม่ไหวจนท่านว่าสุดท้ายเนี่ยนะเส้นทางสุดท้ายเนี่ยนะยนยนะมันเป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านตาดเรีนทองนะ ชาวบ้านเนี่ยเขารู้ว่ามีคณะธรรมยาตรามาเขาก็ต้อนรับนะเห็นทางไม่ค่อยดีเขาก็เอาเอ า, เอาหินกรวดเนี่ยมาโรยนะหินกรวดเนี่ยนะมันเดินเนี่ยเวลาเหยียบมันเจ็บนะหินอะไอหินคลุกเนี่ยหินคลุกเวลาเดินเนี่ยเหยียบนี่มันเจ็บนะแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะว่ามีคนเดินถอดรองเท้าเพราเห็นว่า อยากจะให้เขาอาคันตุกะที่มาเยือนนี่เดินสบายเพื่อเราเหินคุกมาโรยจะได้เดินสะดวกเด็กสาววันนี้เนี่ยพอจจเหินคุกเข้านี่ก็ผงะเลยนะแต่ว่าไหนๆตั้งใจไว้แล้วก้าวแรกที่ย่องเหยียบเนี่ยมันเจ็บเลยนะหินมันทิ่มเท้าเจ็บเลยพอจะเหยียบก้าวที่สองเนี่ยมันกลัวขึ้นมาเลยนะ เขาบอกยหัวใจนี่สั่นเลยเต้นตุบตุบตุบตุบแล้วก็พอจะเหยียบนี่มันชะ ง, งักเลยนะใจไม่ได้สั่งนะให้ชะ ง, งักเท้าแต่ว่ามันมันเป็นของมันเองเพราะมันกลัวเจ็บแต่ว่าเธอก็ตัดสินใจเดินเหยียบก้าวลงไปตอนนั้นนี่มันมีความตกใจนะมีความกลัวแล้วก็พอจะเหยียบก็สะดุ้ง พอเหยียบเข้าก็เจ็บแต่ช่วงขนาดนั้นเองเนี่ยเธอก็หันมาดูใจนะและสิ่งที่เห็นเนี่ยธอบอกเนี่ยเห็นแล้วอาปากค้างเลยเพราะว่ามันอัศจรรย์มากนะนี่เธอเห็นคืออะไรคือเห็นความกลัวเห็นความกลัวที่เกิดขึ้นแล้วพอเห็นมันนะความกลัวก็หายไปพอก็าเดินต่อไปนี่มันมีความตื่นกลัวเกิดขึ้น มีความตกใจแล้วก็เจ็บจากคราวนี้พอมาดูมันโอ้เห็นหมดเลยนะเห็นเป็นขั้นเป็นตอนเลยจากความตื่นกลัวเป็นความตกใจจากความตกใจเป็นความเจ็บเมื่อได้เหยียบมันแต่ว่าพอเห็นมันแล้วเนี่ยเห็นอารมณ์พวกนี้แล้วเนี่ยเธออัศจรรย์มากเลยนะบอกเลยโอ้มันเป็นความอัศจรรย์มากถึงกับอ้าปากค้างที่เห็นความกลัว แลพอความกลัวนี่เห็นมันนะมันหายไปเลยนะเห็นความตกใจเห็นความเจ็บพอเห็นมันในี่ใจมันสงบเลยเป็นสิ่งที่เธอไม่คาดคิดแต่ก่อนเนี่ยนะเวลามันเจ็บก็รู้สึกว่าเจ็บถ้าพูดแบบภาษาธรรมะคือว่ามันเป็นผู้เจ็บนะมันไม่ได้เห็นความเจ็บแต่คราวนี้นี่เห็นความเจ็บนะแต่ไม่ได้เป็นผู้เจ็บแล้วความเจ็บก็อันหนึ่งนะ ที่หลวงพ่อ เ, อเขียน ว, ว่าเนี่ยเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยเธอเข้าใจแล้วและการที่เห็นความกลัวเนี่ยมันก็ทําให้เธอประหลาดใจเหมือนกันว่าโอ้มันเห็นได้ด้วยหรือเนี่ยเป็นความอัศจรรย์มากแล้วพอเห็นอารมณ์บางที่เกิดขึ้นนะเธอก็ได้คิดเลยนะว่าโอ้มันเหมือนกับว่าเราได้เห็นอะไรบางอย่างที่เรารู้ว่ามันมีอยู่กับเรามาตั้งนานแต่ว่าเราไม่เคยพิจารณามันเลย ในสิ่งที่เราล่วงอยู่กับเรามานานแต่ไม่เคยพิจารณาคือคือใจนะพอเห็นความกลัวเห็นความตกใจเห็นความเจ็บนี่มันก็ทำให้เห็นใจของตัวเองชัดขึ้นกมเกิดปิติขึ้นมาเลยนะครานี้เดินน่ะเดินแบบไม่ไม่ชะ ง, งักแล้วเดินเหยียบไปบนหินนั่นแหละก้าวแล้วก้าวเล่านะถามว่าเจ็บไหมก็คงจะเจ็บนะแต่ว่า มันเป็นกายที่เจ็บนะแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยเพราะว่ามันต่างกันมากเลยะระหว่างเห็นความเจ็บกับการเป็นผู้เจ็บเนี่ยเห็นความเจ็บที่เกิดขึ้นกับกายนะแต่ว่าไม่ใช่ผู้เจ็บเนี่ยมันก็หมายความว่ากายเจ็บนะแต่ว่าใจนี่ไม่ได้ทุกข์ใจไม่ได้เจ็บด้วยอันนี่เป็นสิ่งที่เธอประหลาดใจมากนั้นจึงบอกว่าเนี่ยการที่เราเห็นโลกภายนอกเนี่ย เป็นเรื่องอัศจรรย์แล้วนะแต่การเห็นโลกภายในนี่ันอัศจรรย์ยิ่งกว่าไม่ว่าจะเห็นความคิดหรือว่าเห็นอารมณ์ให้ความกลัวนี่มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะใครๆก็ไม่ชอบนะแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเห็นมันเนี่ยโอ้มันความสึกเปลี่ยนไปเลยไม่ใช่ว่าไปกดข่มความกลัวนะให้ความกลัวก็ยังมีอยู่แต่พอเห็นมันเนี่ยใจไม่ทุกข์แล้วเพราะว่าในสุดความกลัวก็หายไปในมองเดียวกันนะความโกรธนะนะ มันเกิดขึ้นทีไรเนี่ยคคืๆก็ไม่ชอบนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นมันขึ้นมานะโอ้มันความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยมันกลายเป็นความอัศจรรย์เพราะว่าพอเห็นมันเนี่ยนะก็หมายความว่าเป็นอิสระจากมันแล้ะแต่ก่อนที่ไม่เคยเห็นมันเลยพอเกิดขึ้นทีไรไม่ว่าจะเป็นความกลัวความโกรธความเครียดความวิตกกความเศร้านี่ก็ไปกับมันหรือปล่อยให้มันครอบงําเรียกว่าเข้าไป ในอารมณ์นั้นจะเหนือความคิดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันคิดคิดตลอดเวลาแต่ไม่เคยเห็นมันเพราะว่าเข้าไปในความคิดซะละวพอเข้าไปในความคิดเนี่ยมันจะเห็นความคิดได้อย่างไรมันจะเห็นความคิดได้ต้องออกจากความคิดซะก่อนจึงจะเห็นความคิดได้เมื่อกเราอยู่ในรถเนี่ยอยู่ในรถนี่ยังไงก็ไม่เห็นรถหรอกจนกว่าเราจะออกจากรถอยู่ในบ้านก็ไม่เห็นบ้านจนกว่าจะออกจากบ้านออกมามองจึงจะเห็น คนเรานี่อยู่กับความคิดนะแต่ว่าไม่เคยเห็นความคิดเช่นเดียวกันเวลาอยู่กับอารมณ์ความกลัวความโกรธความเครียดความเศร้าแต่ไม่เคยเห็นมันเลยเพราะถูกมันครอบงำถูกมันชักนำํำบงการไปต่างๆนานาแต่พอเห็นมันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าออกจากสิ่งเหล่านั้นออกจากความคิดออกจากอารมณ์มันทําให้ใจเป็นอิสระ มันเกิดขึ้นก็จริงนะแต่ว่ามันทำอะไรใจไม่ได้เพราะว่าใจเป็นอิสระหรือเพื่ออย่างคือว่ามันมีการปล่อยการวางเกิดขึ้นพอเห็นมันเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันก็นอกจากมันครองจิตครองใจเราไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็กลับจะเลือนหายไปอย่างที่เด็กสาวคนนี้บอกเนี่ยพอเห็นความกลัวนี่ความกลัวมันหายไปเลยพอเห็นความตกใจเหความเจ็บพอเห็นท่า น, นแล้วมัน มันสงบเลยเนี่ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแค่เห็นมันเฉยๆนั้นการเห็นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องอศัศจรรย์นะโดยเพราะการเห็นโลกภายในเห็นความคิดเหนอารมณ์แต่ว่าคนส่วนใหญ่นี่ก็ไม่รู้นะว่าไม่เคยรู้นะว่านี่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราทำได้เพราะว่าถูกมันครอบงาตลอด คนเราเนี่ยนอกจากจะหมั่นทําความดีนะสร้างบุญสร้างกุศลแล้วเนี่ยให้การฝึกจิตให้เห็นกายเห็นใจเนี่ยสำคัญมากเลยนะในยามที่มันไม่มีความคิดอารมณ์เกิดขึ้นก็ให้มารู้กายเวลากายเคลื่อนไหวใจก็รู้เวลามีความคิดมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็เห็นมัน อันนี้มันจะเป็นหนทางนะของการเป็นอิสระนะจากความคิดและอารมณ์แต่ก่อนถูกความคิดมันใช้จนเป็นท่าของมันนะคนเรามักจะบอกว่าเราใช้ความคิดใช้ความคิดแต่ส่วนใหญ่ในความคิดมันใช้เรามากกว่ามันใช้เราให้คิดคิดคิดจนนอนไม่หลับมันใช้เราจนกระทั่งวิตกกังวลเครียดไม่รู้จบสิน้นเราไม่เคยรู้จักที่จะใช้มันอย่างแท้จริงจนกระทั่งอ่ะ มันมีสตินะสามารถจะรู้ทันเห็นมันพอเห็นมันเนี่ยเราก็สามารถจะทักท้วงมันได้สามารถที่จะไม่เชื่อมันก็ได้เป็นอิสระจากมันได้ไม่ยากอารมณ์ก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าอารมณ์จะไม่เกิดขึ้นเวลามีการกระทบมันก็ย่อมเกิดอารมณ์ขึ้นมาเพราะเผลอปรุงแต่งอารมณ์แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนี่ใจไม่ทุกข์ก็ได้นะ มีความกลัวแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้มีความกลัวแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าเห็นมันไม่เข้าไปเป็นมันอันนี้เป็นความแตกต่างที่สำคัญมากเลยนะระหว่างการเห็นกับการเข้าไปเป็นเนี่ยเกิดมาตั้งทีก็ต้องฝึกนะให้สามารถจะเห็นความคิดหรือว่าเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีและเห็นแบบนี้มันทาให้เป็นอิสระนะเห็นด้วยตา หรือเห็นโลกภายนอกเนี่ยบางทีมันทําให้เกิดความยึดติดนะอย่างที่มีคําพูดว่าเนี่ยติดตาติดใจนะไม่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันจะถูกใจหรือไม่ถูกใจนะเห็นภาพวิวชื่อชัดชื่อสวยงามก็ติดตานะเห็นผู้หญิงสวยผู้หญิงงามก็ติดตาอันนี้เราเห็นสิ่งที่ถูกใจแต่เห็นสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ติดตามกันนะเห็นภาพที่น่ากลัวเห็นคนประสบอุบัติเหตุ นะเห็นคนถูกทาร้ายนะน่าเสียดายสยองนี่นก็ติดตามกันนะเวลาเห็นด้วยตาเนี่ยมันยึดติดได้ง่ายถึงนะเรียกว่าติดตาติดใจแต่เห็นด้วยสตินะหรือการเห็นโลกภายนอกการเห็นโลกภายในด้วยสติเนี่ยมาเห็นแล้วมันวางนะเห็นแล้วเป็นอิสระงั้นถ้าเราอยากจะเป็นอิสระเนี่ยนะมันต้องรู้จัก เห็นความคิดเห็นอารมณ์อย่ามวัวแต่เห็นโลกภายนอกนะเห็นโลกภายนอกแล้วก็ไม่เห็นโลกภายในเนี่ยมันก็มีแต่จะตกเป็นท่าของโลกภายนอกต้องเป็นทุกข์กับสิ่งที่เห็นจนติดตาไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะกระตุ้นให้เกิดโลภะหรือว่ากระตุ้นให้เกิดโทสะหรือว่าความกลัวทั่นถ้เปศนสระนี่มันก็ต้องนะรู้จักเห็นโลกภายในจนกระทั่งเนี่ยรู้ทัน ความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นข้ามีิพุทธนินนะกลับพระ